วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะของเดือนสิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2547ตามที่พระท่านให้แนะนำนะก็จะพูดถึงเรื่องของกำลังใจเต็มหรือบารมีเต็ม การปฏิบัติเพื่อให้บรารมีเราเต็มเนี่ยเขาทำกันอย่างไร <c oughs> <c oughs> แต่ตั้งใจฟังนะหลับตาให้สบายไม่ต้องหลับเลยนะอ <c oughs> หลับเพื่อให้จิตเราวุ่นวายแล้อเอ็นแล้วก็หลังเอาหูเราฟังเสียงคิดพิจารณาตามซิว่าเราก็เป็นคนต้องต้องการปรารถนาให้บรารมีของเราเต็มถ้าบรารมีเราเต็มมรรคผลเราก็ต้องเกิด ถูกไหมในการปฏิบัติในเรื่องของบา ร, รมีที่เธอทุกคนในที่นี้มีปันชำนานเรียกว่าทำมามากก็คือการให้ทานการให้ทานอย่างไรจึงจะจัดว่าบา ร, รมีเต็มเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเต็มแล้วในทานบา ร, รมี ใช้เธอทั้งหลายต้องจ้างใจคิดว่าเราเป็นคนที่ยินดีในการให้มาเรื่องอะไรก็ยินดีให้ทำอะไรก็ยินดีช่วยทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้ทานมามากแต่การให้ทานของเรามันจะไม่ได้เหตุผลอะไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งจะให้เพราะสิ่งนั้นจะให้เพราะเหตุนี้ให้เพราะบางทีก็มาจากการ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 ต้องประจนแล้วต้องเจอกับเรื่องที่มันไม่ดีนะคือเรื่องที่พาให้เราต้องทุกข์ผิดหวังไม่เป็นดังความปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องทาบุญเสียสละใยการให้ทานลงไปใช่ไหมพะหวังว่าผลบุญนี้จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ก็เมตตาตัวเองไหมเมตตาตัวเองนะ สงสารตัวเราเองว่าจะต้องมีความทุกข์จากสิ่งที่เราพลาดโอกาสในสิ่งที่เราต้องทำอะไรออกไปอย่างเช่นเราจะต้องได้ทรัพย์เราก็มาได้ทรัพย์อย่างนี้นะเราจะต้องเจอกับเรื่องที่เป็นอันตรายก็เรียกว่าเคาะกรรมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทาบุญให้ทานเพื่อว่าเคาะกรรมทั้งหลายมันจะได้ไม่ปรากฏต่อเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาตัวเองสองสารตัวเอง แต่เมื่อเรามองไปสูขผู้คนอื่นเราก็หยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองแม้กระทั่งวาจาพูดเพื่อจะให้เขามีความสุขก็ให้ให้ทั้งคนก็ให้ให้ทั้งสัตว์ก็ให้เธอทำอย่างนี้มาเยอะถ้าย้อนถอยหลังไปกี่อาสงไขเธอก็ทำอยู่อย่างนี้แหละมากมายเหลือเกิน ลองนึก ด, ดูนะว่าที่พระท่านพูดจริงไหมมากมายและเกิดที่ทำกันเนี่ยถ้าโอกาสไหนบางชาติที่เรามีทรัพย์มากเราก็ทำอย่างมากมายชาติไหนมีทรัพย์น้อยเราก็ทำน้อยชาติไหนมีบุคคลที่สมควรแก่การให้ทานที่เราคิดว่าทำให้เรามีบุญมากเราก็ให้มากมีโอกาสทำมาก ถึงแม้เราจะมีทรัพย์น้อยแต่ก็มีความตั้งใจอยากทำมากๆอยากทำบ่อยๆเช่บนบางชาติเราได้พบพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกถึงแม้เราจะเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ก็ต้องการบุญต้องการความดีก็ให้ทานสิมงนออกไปแล้วก็ให้กับพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ข้าพระสงฆ์ทั้งหลายเราก็ทำบางพบบางชาติก็เป็นคนที่มีทรัพย์เยอะแยะมีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง เร้ว่าจะทำอย่างไรก็ได้ง่ายสำเร็จง่ายใครเดือดร้อนที่ไหนก็ให้ตั้งโรงทานก็ได้ใครปรารถนาจะมาเอาอะไรในโรงทานของเราก็เอาไปได้ร่วมกันให้กับเขาก็ให้ตั้งใจทำเองก็ให้เหมือนกันเ้ต้นอง น, นิกดูว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันปรากฏกระเทอมาแล้วถูกต้องไหมมันมีอย่างนี้ปรากฏมาเยอะแยะมากมาย ว่าเธอจะให้ทานในเขตของพระพุทธศาสนาหรือ ว, ว่านอกเขตพระศาสนาในสมัยที่พระพุทธจเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็ดีหรือ ว, ว่างจากพระพุทธศาสนาก็ดีสิ่งนี้ก็ยังดําเนินกระทําอยู่ไม่ขาดสายยิ่งได้ไปกระทํากับบุคคลที่เรารักเราเคารพเลื่อมใสที่ต้นเป็นผู้นําชักชวนให้เราได้กระทําในการให้ทานสงฆ์คนบ้างสงฆ์สัสกดิ์บ้างสงฆ์ในพระศาสนาบ้าง ก็ยิ่เต็ม อ, อกเต็มใจกระทํากันใหญ่เลี้ยงมีอะไรก็ช่วยไม่มีทรัพย์ก็ช่วยแรงกายนขนควายช่วยเหลือจช่นนั้นหยุดยืนสิ่งนี้ก็ทําไปไม่เห็นแก่เน็ตแก่เนยบางครั้งเธอทําถึงขั้นที่ต้องเสียสละชีวิตเอาชีวิตต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทรัพย์เสียสละความสุขที่ต้องอยู่กับสามีภรรยาและลูกพ่อแม่ที่การเป็การปกป้อง พื้นแผ่นดินเธอก็ทำไหมเธอก็มีโอกาสได้กระทำมันทานเหล่านี้เธอทำมาเยอะแยะมากมายนับชั่วหลายอาสงไขกลับที่ผ่านมาถ้าจะเอามารวมๆกันแล้วมันกองเถินเถนทิจักรวาลเนี่ยไ ม, ม่พอเก็บทานของเธอแหละที่ทำมเนมองไปสุดธุสุดตาของเธอก็ยังไม่หมดสิ้นในทานที่เธอได้กระทำ ถามว่าเราทำมากถึงขนาดนี้ทำไมไม่เต็มอะไรทำให้เราไม่เต็มในทานเพราะการทำทานทุกครั้งมันจะต้องมีการกระทบกระเทือนจิตใจต้องมีบ้างถูกมการทำทานบางครั้งมันก็ทำได้ยากเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราไม่เจ็ดทรัพย์ของเราเราต้องขอแม่เราต้องขอสามีเราขอภรรยาเราอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีถูกเบีขั้นในการที่จะทำทานมีไหม มันก็มีหรือมาทําไปแล้วก็จะรู้สึกในสิ่งที่ทําว่ากลัวเขาจะ ต, ตําหนิติดเตียนกลัวเขาจะคิดไม่ดีกลัวเขาจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรากับเขาไม่กลัวเขาจะด่าเราแต่กลัวเขาจะเสียความเสียใจกลัวเขาจะคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องอย่างนี้มีไหมอย่างนี้ก็มีไม่ใช่มีแต่าชาตินี้ถอยหลังไปกี่อาสงไขยก็มี ประการแรกทานก็ทําไว้เยอะแยะไม่จะนอกศาสนาในศาสนากับคนกษัตริย์ก็ทํามีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ใช้แรงกายก็ทําทํามาตลอดประการที่สองขณะที่เราทํามันก็มีอุปสรรคบางตอนใช้กําลังใจในการเอาทรัพย์ไปบริจาคทําทานเอาสิ่งของไปบริจาคเพื่อเป็นทานบางครั้งนะบางครั้งก็สะดวกสบายเหลือเกินคือมีเท่าไหร่ก็สามารถทําได้เพราะว่ารวย แต่ก็ถูกคนติชินนินทาบ้างถูกคนชื่นชมยินดีบ้างความรู้สึกที่ได้รับสิ่งนี้มาก็รู้สึกไม่สบายใจบ้างก็มีบางทีก็เลิกทําทานไปเลยก็มีเลิกให้ไปเลยก็มีนั่สิ่ ง, งต่างๆที่ปะปนกันมากมายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ถูกกระทบจากการกระทําของเราในการให้ มีมากมายเยอะแยะสุจริตพนาถ้าเธอค่อยๆมองลงไปเธอจะเห็นถึงผลที่มันเกิดขึ้นจากเมื่อเธอได้ตั้งใจที่จะให้ทานออกไปสิ่งแรกเลยคพราว่าเธอมีทรัพย์ไหมเธออยากให้เอาอ้าวมวยแล้วเธอมีของเธอแล้วเธอก็เ บ, เบาใจเรื่องที่จะต้องสละออกไปพอจะคิดจะสละออกไปเอาคนที่เรารักห้ามปรามบ้าง เอาไปแล้วจะทำยังไงเราจะอยู่กันยังไงเราจะกินกันยังไงเราจะทำกันยังไงต่อขาดฝังเธอแล้วเธอก็ไม่สบายใจใถ้าจะเอาเออกไปให้ก็รู้สึกเสียดสงสารในความรู้สึกของคนที่รักว่าจะต้องมีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไม่กล้าให้อีกบางครั้งเรากให้ทานที่เป็นของห ย, ยาบๆหมายความว่าทานที่เราใช้แล้วทานที่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจ สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเราก็เอาเอ า, เ อ, าออกไปให้ไปได้แต่สิ่งใดที่เป็นของสนใจของเราของดีของเราเราก็เอาเก็บไว้นังการที่เราแสดงออกสิการให้จะวัดจากอะไรถ้าวัดจากอุ ป, ปนิสัยแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปบางคนก็ให้ของดีที่สุดแต่ไม่ให้พัมเพลือ แต่เวลามีผลกระทบกลับมาก็ไม่ถูกใจตัวเองตรงใจไม่ตกกม็มีทุกข์อยู่อีกบางคนก็นให้ของหยับๆคือของเหลือเดนของที่ตนเองไม่ใช้แล้วเอาออกไปได้อย่างสบายใจเหมือนกับคนโอ้เป็นคนที่ใจดีแต่เปล่าไม่ได้ใจดีแต่ขีเ้เกียจเก็บลกมารกบ้านลกที่ ไซะเจอหน้าใครเอาไปอันนี้เอาไปอันนั้นเอาไป เ, ไปเมื่อเราเป็นคนให้ทานไหมให้จใจใจเน่ยมันไม่ได้คิดให้เหมือนคนที่เห็นด้วยความสงสารแต่เห็นด้วยความรลำคาญของที่เก็บเก็บของไม่เดียออกไปซะไอ้ดีๆเก็บไว้เก็บไว้กระตุนก่อนไอ้ดีของดีเก็บไว้กระตุนก่อนเของไม่ดีให้คนอื่นก่อนเอาไปก่อนอย่างนี้ก็มีบางอุปาดิสัยของคน แต่ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะไอ้นี่เม็นเรื่องของอุปาณิสัยแต่เราจะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นว่าทาไมบารมีของเราจึงไม่เต็มเสถียรมันตกบกพร่องอยู่ตรงไหนให้ก็ให้แล้วสละก็สละแล้วนะลองดูซิเราบกพร่องอะไรทำไมเราจึงไม่เต็ม ที่ธอต้องสังเกตว่าให้ไม่ขาดตัดไม่ขาดในการให้ไม่ใช่ของน่ะเอาไปเรากลับไม่ใช่แต่ความรู้สึกที่เราได้ได้เอาออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกต้องคิดกลับมาอีกเมื่อมีผลกระทบเข้ามาไม่ว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นหรือว่าเราไปเห็นเองได้ยินเองก็ตามก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้น ไม่ชอบใจบ้างเสียใจบ้างบางครั้งเขาโอ้เขายกย่อปอปั้นแล้วก็ดีใจบ้างไม่ว่าเธอจะดีใจแล้วว่าเธอจะเสียใจในสองอารมณ์นี้ก็ยังถือว่าบารมีของเธอไม่เต็มนี่คือเครื่องวัดข้อแรกเพราะว่าการตัดใจของเธอมันไม่ขาดออกไปเหมือนเมื่อวานที่พูดถึงเยื่อใหญ่คือ น, นิวรณนถูกไหมนี่ก็เหมือนกัน มันยังมีนิวรณ์ที่กวนใจเราอยู่มันทําให้เราต้องคิดถึงคิดถึงอะไถ้าเรามีความสงสารมากก็จะผวงกับความรู้สึกของคนนั่นก็คือความฟุ้งสร้างที่เกิดจากความสงสารใช่ไหมเมื่อเรามีความเมตตามากเราคิดว่าให้แล้วมันไม่พอสําหรับเขาคือคิดว่าแค่นี้น้อยไปมันน้อยเกินไปต้องหาให้มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ให้เยอะกว่านี้คราวนี้มันไอเยอะกว่านี้มากกว่านี้เราไม่มีทํำยังไงก็คิดดิ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 บางคนให้หวังผลตอบกลับมาหนึ่งคือผลของอานิสงส์ของบุญที่จะพึงได้คืออานิสงส์ของทานที่ได้กลับมาสองผลที่ตอบกลับมาก็คือคำชื่นชมยินดีนะแล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างที่มาสนับสนนกลับมาแล้วก็มีความปรารถนากลับมันมันก็เลยไม่ขาดออกจากใจใช่ไหม อันนี้ทํำยังไงล่ะเราจะเร่งรัดบา ร, รมีของเราให้เต็มเร็วๆจะทํำยังไงเพราะพระ เ, เจ้าตรัสว่าเธอต้องขยันที่จะทําบ่อยๆเหมือนคนเราละจะละจะหนีก็ต้องให้บ่อยๆคิดที่จะให้บ่อยๆเอาออกไปดูซิอะไรที่มันออกไปได้บ้างอะไรที่เราตันหนึบตันหนีขี้เหนียวออกไปได้ให้ไม่ได้ เสียดายดูซิมันอะไรยังมีไหมเรายังเห็นว่ามันเป็นผู้ให้ความสุขแก่เราอยู่ไหมหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้มีความหมายสําคัญอะไรเราต้องการจบเดียวคือพานิพานคือไม่กลับมาเกิดเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าเรายังผวองหน้าผวองหลังกระของที่เราจะให้มีไหมมันต้องทําบ่อยๆใช่ไหมทําบ่อยๆเข้าเราก็จะจับอารมณ์ตัวเองได้เห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เห็นถึงเหตุที่ ทำให้ใจของเรามันฟุ้งซ่านได้แต่ถ้านานๆให้ทีานานๆให้ทีมันไม่มีทางหรอกถ้าฝึกแบบนี้มันไม่ถึงผลแน่ถ้าจะฝึกให้เต็มในทานบา ร, รมีนะแต่การให้เราจะรู้เลยว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นตัวฟ้องขาดหรือไม่ขาดมันก็เป็นตัวฟ้องของการให้ทานของเรามันไม่ได้สาคัญที่ว่าเรามองสัง ภายนอกสําคัญคือทรัพย์สําคัญจํานวนของทรัพย์สําคัญสิ่งของที่เราให้สําคัญเรามองอะไ ร, รก็ต้องคิดใช่ไหมถ้า เ, เราทํำ บ, บ่อยๆเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวเราให้อย่างนี้เราดิ้นรนอย่างนี้มันทุกข์นี่นี่มันความทุกข์นั้ง น, นั้นทุกข์ก็แสดงว่าเราเนี่ยบารมีอย่างอ่อนถ้าบารมีเราเต็มเราจะทุกข์ทำไมนึกว่าสิ่งนี้การให้คือความสุขจะทํามเราเป็นทุกข์ถูกต้องไหมพราะพุทธเจ้าบอกการให้เป็นสุข การให้เส้กนการละละมาถึงความสุขแต่ทำไมความสุขของเรามันไม่เต็นมันไม่ใช่ความสุขมันกลับมีอะไรที่หนักหน่วงถ่วงใจไว้มีอะไรตามมาทำให้เราต้องคุ้นคิดแล้วก็วิตกกับมันดึงใจให้เราต้องหวนกลับไปหาสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อไม่ขาดออกจากใจไปเลยไม่จบมันยีมีการคิดต่อพวงต่อกลัวต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันต่อไปอีก นี่แหละเป็นการกระทําเพื่อการปฏิบัติในเรื่องของบา ร, รมีนั้นเราต้องให้ทําบ่อยๆทําให้เกิดปัญญาให้ได้ทําแล้วต้องคิดพิจารณาเสมอว่าเอ๊ะนี่เราตั้งใจให้เพราะอะไรแลรเราราจจะเห็นความสําคัญในสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกมีความหมายหรือเปล่าเราเห็นความสําคัญอะไรสําคัญแก่พระศาสนาถ้าพระศาสนาไม่มีสิ่งนี้พระศาสนาจะย่าแย่ไหม ที่นั่นที่นี่ที่น่นไม่ปรากฏอย่างนี้จะเป็นยังไงไหมถ้าคิดแบบนี้ถือว่าบาลามีเต็มไหมก็วัดตรงไหนวัดตรงที่ใจเราทุกไหมเราได้หล่นไหมต่เรายัางยังต้องการจะทําให้มันเกิดขึ้นไหมท่านยังมีความยินดีกับสิ่งนี้แล้วมันดึงใจเราให้เกิดต้องกระทําต้องกระทําร้อนลนในจิตใจนั่นแสดงว่าบาลามีเรายัางไม่เต็มแต่ถ้าใจของเรามันไม่ไม่ไปไหน ไม่มีความยินดีหรือร้ายแต่เต็มใจที่จะกระทำสิ่งนั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์แห่งพระศาสนาก็ดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็ตามแล้วก็ทามันออกไปอย่างไม่มีความเยื่อใยอะไรเอาวนกับสิ่งที่ได้กระทำเลยแล้วเรามีความสุขความสุขนี่ไม่ใช่ปีติแต่เป็นความสุขจากความเข้าใจในธรรม ความสุขที่เห็นแก่ความจริงว่าทุก ส, สิ่งทุกอย่างในดินแดนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของอว่าสมมติก็ได้สิ้นเปลืองสูญเปล่าก็ได้การให้ของเราก็คื อ, อแค่ให้เขาได้มีความสุขแต่เราสัญลับเราตรงนี้ไม่ใช่ความสุขเราไม่ได้ปรารถนาส่วนนี้คือความสุขเราปรารถนาการไม่กลับมาเกิดนัน้นเมื่อเราทําออกไปแล้วความดีใจจะมีไหมไม่มีแล้วก็ไม่เสียใจว่าถ้าใครเขาจะตําหนิติดเตียนเร า, เราไม่เข้าใจเรา หรือใครจะคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ไม่เอากลับมาคิดในใจตนเลยยินดีก็ไม่มีเยีร้ายก็ไม่มีสุขจากการที่ให้ก็ไม่มีทุกจากการที่ให้ก็ไม่มีทําไมจึงไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมจึงไม่ยินดีไม่เยี่้ายเพราะอะไรเธอรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องเหล่านี้สําคัญไปยิ่งกว่าการที่ไม่กลับมาเกิด ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีค่ามีความหมายที่จะต้องเป็นสุขกับมันเพราะว่า น, นี่พ่านเป็นสุขยิ่งกว่าสุขไหมการไม่มีร่างกายเป็นสุขยิ่งกว่าทําไมเราจะมาบังนั่งเพ้อฝันคิดเอาความสุขเพียงแค่นี้ว่าเป็นความสุขดีแล้วดีใจมันจึงไม่เกิดมีก็เพราะามันคิดอย่างนี้มันวางใจของมันเป็นแบบนี้มันก็เลยยึดติความยินดียินร้ายในสิ่งที่กขาทาออกไปถามว่าแล้วทํำไปทําไมเมื่อไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีควาเมเยร้าย ทำพระฟวามเมตตาทำเพระอวากรุณาถูกต้องไหมมีสิ่งนี้ในใจของผู้ที่เห็นว่าควรจะทำออกไปเพราะของเหล่านี้มันมีความสาคัญกับคนอื่นแต่สาหรับเรามันไม่สาคัญแล้วจึงสละออกไปได้อย่างเต็มอกเต็มใจและก็ไม่พะวงว่าจะต้องทำให้มันดีขนาดไหนฉันจึงบอกว่าดูอย่างหลวงพ่อของเราถ้าไม่ได้ยินดียินร้ายในการก่อสร้าง แม่ได้ยินดีนร้ายในการกระทําอะไรให้เกิดขึ้นเป็นบุญถูกไหมท่านทําทุกอย่างทําให้มันจบออกไปจบลงไปเท่านั้นต้องการเพียงว่าพวกเธอทุกคนเพื่อจะได้ยินดีในการที่ท่านกำลังบอกว่าทําอย่างนั้นสิลูกทําอย่างนี้นสิลูกท่านประหยากจะบอกชักชวนให้ทําบ่อยๆก็เพราะให้ต้องการให้เธอนะ่ยมีบุญรู้จักคิดรู้จักมองถึงสิ่ ง, ง, งที่เกิดขึ้นในใจของเธอว่าเธอจะแน่วแน่กับนิพพานของเธอในเป็นอารมณ์เดียวไหม ไม่เห็นว่าทรัพย์มีความหมายไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันเป็นความสุขไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องไปทุกข์กับมันถ้าเมื่อไรก็ตามที่อารมณ์ใจของเธอไม่ขึ้นไม่ลงไม่โฟมองของสิ่งที่ใครจะตำหนิหรือใครจะชมไม่สนใจในสิ่งที่ทําออกไปจะเสร็จหรือว่าไม่เสร็จจะเกิดผลหรือว่าไม่เกิดผลเราจะเจูอจะตายเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร เมืที่พระพุทธเจ้าทรงจัดถามหลวงพ่อว่าห่วงไหมพิหารอ์ประถมยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จห่วงไหมท่านก็ถามลงใจหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรกังวลใจเพราะว่าความตายกับความสุขมันกำลังจะคืบคบานเข้ามาหา กับนิพพานที่เป็นบรมสุขที่เป็นญาตแห่งความปรารถนากําลังจะไขวา่าได้มาแล้วทําไมจะต้องดึงใจกลับไปห่วงกังวลกับไอ้สิ่งที่ไม่มีสาระอะไรอันไม่ใช่ความสุขอะไรเลยถูกต้องไหมนั้นเธอต้องพยายามที่จะคิดทํำบ่อยๆน้อยมากพยายามทําออกไปพยายามละออกไปทําออกไปไม่จะทํำเปล่าๆถ้าทําซ้ําๆซากๆมันก็เหมือนกับกี่อสงไข่ในที่ผ่านมา ก็วักวนเหมือนเดิมทำในอารมณ์เดิมตอนที่เธอจะขนมามากในภาวะที่เธอเกิดเป็นเป็นมหาเศรษฐีและเป็นพระราชาหรือเคอคราวที่เธอยากจนเขินใจจตเธอได้มีโอกาสได้ทําทานกับพระเธอก็ทําด้วยอารมณ์ดิ ม, เ ด, มเดิมเหมือนเหมือนกันไม่ได้มีความดีขึ้นเลวลงแค่ไหนเพียงแต่ว่ามันซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซากซากอยู่แค่นั้นปัญญามันจึงไม่ขยับเขยือนเท่าไหร่จะได้ชนิดถ้าเราไม่เคยคิดเราไม่เอามาคิด ยามทุกทีหนึ่งมันถึงจะคิดเริ่มที่จะให้ค น, นแต่ละเลือกคนให้ละพอเริ่มให้แรกแลกมันสเปะสปะไม่มาว่าใครคนดีคนไหนคนชืว่วคนไหนควรให้คนไหนไม่ควรให้ถูกไหมให้บางคนมันก็ไม่มีความกรจันอยู่กระเะเวทีมันก็มากลับย้อนมาทําร้ายเราไม่เห็นหัวเราไม่เห็นวุฒิคุณของเราเราไม่ปราชญนาบุญคุณแต่เขาไม่สนใจในสิ่งที่เราให้เขาเมื่อเราไม่ให้อีกเขาก็เริ่มบัตุสล้ายเราต่อ เราให้เขาเขาก็หยุดไปทุจริตเรานี่แสดงว่าเราสูญเสียสิ่งที่เป็นกําลังใจของเราออกไปสูญเสียทรัพย์สูญเสียของไปให้กับคนที่ไม่ควรให้ไอ้ประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านอย่างนี้มันทําให้เราคิดคิดคิ ด, คดทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์นี่มันทุกข์แล้วมันไม่สบายแล้วก็เลยเริ่มจะมีขอบเขตในการให้แล้วอันนี้คูไม่ให้คณะแพทย์นี้คูไม่ให้คณะแพทนั้นกูไม่ให้ใช่แหลมแล้ว แล่ให้คนที่ควรจะให้แต่เราก็ยังมีปัญญาน้อยยังไม่มองถึงผลที่จะเกิดขึ้นทำไมเราจึงให้กับคลที่ควรให้เพราะอะไรเพราะุคนที่ได้รับเนี่ยเอาง่ายๆแค่คนมีตามกตัญญูรู้คุณเขาจะรู้สึกคุณค่าที่เธอให้มากแม้แต่น้ําแก้วเดียวถ้าเขามีโอกาสตอบแทนคุณของเธอได้เขาจะให้ทันทีไม่ใช่น้ําแก้วนั้นแต่ให้ในสิ่งที่คนกําลังเดือดร้อนเป็นทุกข์ อะไรก็ได้ที่คุณกําลังเดือดร้อนเขาจะก้าลุ้นเขาไปช่วยเหลือคุณทันทีนั่นเพราะแรงแห่งความกตัญญูรู้คุณใช่ไหมมันทําให้เขาตอบแทนกลับมาเราจะมีความสุขไหมมีความสุขในลำพายภาวะที่เรากําลังย่ําแย่ก็ยังมีคนประเภทนี้ก้าลุ้นเข้ามาช่วยเหลือเราการให้ของเราส่วเปล่าไหมไม่ส่วนเปล่าเป็นการให้ที่ดีแต่ก็ยังดีไม่หมดถูกไหมเพราะมันยังมีอารมณ์คั่งค้างค า, า, าใจอย่างที่พูดมาตอนต้น อ้นนี้พูดถึงรายละเอียดในเรื่องของทานบรารมีถ้าพูดให้มันหมดทั้งหมดเลยเนี่ยฉันว่าอีสิบปีฉันก็ยังพูดไม่จบคิดว่าอย่างนั้นแต่พูดจฉพาะวันนี้ให้เธอได้เห็นว่าเราจะขาดทำบรารมีให้ทานบรารมีเต็มจะอยู่ตรงไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับใจเราจริงๆคือว่ารู้สึกว่าเราได้เต็มแล้วพอเข้าใจไหมที่พูดออกไปเมื่อสักครู่เนี่ย ก่อนหน้านี้ขาดจริงๆไม่มียินดีไม่มีร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์รู้แต่ว่าสิ่งนี้เพื่อยังประโยชน์แต่สำหรับเราและประโยชน์ของเราคือการไม่กลับมาเกิดคือนิพพานคนปัจนานะพระโพชิยานก็มีแต่มองไปทางที่จะเดินไปสู่พระโพธิยานคนที่ปราจานาพระนิพพานก็ตั้งความปราจนาเพียงแค่ ไม่กลับมาเกิดดงนั้นไอการทําทุกอย่างทัพษิสมบัติมันก็เลยไม่มีความหมายคําว่าไม่มีความหมายไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่จ่ายไม่เก็บไม่ดูแลรักษาไม่ใช่ไม่มีความหมายคือเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ของที่นํามาถึงความสุขของเราชีวิตก็ไม่มีความหมาย ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแรลรักษาตัวเราอีกไม่ให้เป็นกลิ่นไม่ใช่ก็ยังดกตกแต่งดูแลปกติเหมือนเดิมรักษามันเหมือนเดิมแต่มันไม่มีความหมายคือมันไม่ใช่ความสุขของเราการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความสุขการมีทรัพย์สมบัติทางไหนไม่ใช่ความสุขความสุขของเราคือการไม่กลับมาเกิดตายเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปนิพพานนั่นคือความสุขของเราเป็นมรร ม, มาสุขอารมณ์ใจมันเป็นอารมณ์เดียวเวลาเราละแล้วทําการให้ออกไปมันจึงขาด ขาดออกจากใจไม่มีพอวงไม่สนใจความรู้สึกของใครจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้ทําออกไปคนไม่ชอบใจเขาก็ติถูกไหมอ่คนที่มันอิจฉาเขาก็กระแนะกระแหนใช่ไหมอ่มันก็มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นโลกกระทำโยมเข้ามาในใจเราโลกกระทำเหล่าเนี้ยเราเนี่ยจะไปเบี่ยงเบนไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมตั้งแต่ประการ จะไปทางโลกธรรมที่ฝ่ายยินดีที่ก็ให้ลาบสกาละตอบแทนกลับมาให้คำสรรเสริญยิยนดีให้แล้วเราลึกคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นความสุขอย่างนี้เป็นต้นให้ยถาบรรดาศัตดิ์อย่างเนี้ยหรือว่าเขาทําลายยถาบรรดาศัตดิ์ของเราทําลายความสุขของเราทําลายความยินดีที่เรามีกลับมาพรชิสลายก่าวาจาไม่ดีกับเราได้ไม่ว่าด้านใดนด้านหนึ่งในโลกธรรมทั้งแปดประการ มันจะไม่เกิดกับใจของบุคคลที่มีบารมีเต็มในฐานนี่คือเครื่องวัดเธอก็ต้องขยันในการปฏิบัติคือต้องขยันให้ตื่นมาต้องคิดว่าฉันจะให้อะไรฉันจะทํำยังไงแเออตัดสินใจทําอะไรสิ่งนี้ฉันมีอะไรคิดว่าสิ่งนี้สําคัญกับฉันไหมต้องคิดแล้วทราพย์คัญกับฉันมากไหมของเหล่านี้มันสาคัญกับฉันมากไหมแต่ไม่ใช่ลราให้หมดตัวให้ทุกอย่างให้เครื่องเลยและเหลือตัวเองรั้นจันท แลก็บอกฉันหมดแล้วฉันสบายแล้วเดินแก้ผ้าอย่างนี้ไม่ใช่บาลมีต็มโง่เต็มต็ ม, ต ม, ตมนะเขาไม่ได้ขนขวายเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสําคัญเขามองเรื่องปัญญานที่เห็นว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันมีความหมายกับตัวเองหรือว่ามันหมดความหมายกับตัวเองไปแล้วถ้ามีความหมายกับตัวเองคือล้างมันไว้มันยังให้ความสุขยังเสียดายอยู่ถูกไหม ถ้าหมดความหมายกับตัวเองคือมันหมดแล้วเราไม่ปรารถนาอะไรแล้วแต่ถ้าหมดแล้วคือสิ่งที่เราไม่ต้องการไอ้ น, นี้ถือว่าบา ร, รมีตเต็มไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องการยังเก็บไปอยู่ใช้ไม่ได้ถูกไอมแต่เรามองถึงประโยชน์ที่จะให้นะไม่ใช่ของเก็บไปเนี่ยแล้วเราจะเก็บไปเพื่อใครไม่ใช่แต่เราเก็บกับบุคคลที่ควรจะให้ไม่ใช่ให้ส่งเดชคิดว่าฉันจะทําทานละเอาออกไป อ, ออกไป อ, ออกไปแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายหมดและ ฉันโล่งและวฉันสบายแล้วโอ้ฉันบารมีเต็มแอนีก็เต็มโง่โง่งงเหมือนกันไม่ใช่ขอหมดคือบารมีเต็มไม่จะทําให้มากคือบารมีเต็มไม่ใช่ทั้งสองประการบารมีเต็มคือก็มีปัญญาเต็มที่เลือกที่จะให้กับบุคคลที่ควรให้เลือกการเวลาที่ถูกเลือกสิ่งของที่ถูกเลือกสิ่งที่จะพูดเรื่องสิ่งที่จะให้ของเรื่องสิ่งที่จะทากับการเวลาอันเหมาะวร น, นั่นแหละคนมีปัญญา แล้วก็ไม่ผวงกับสิ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมทางดีเป็นโลกธรรมทางร้ายพอเข้าใจบ้างไห ม, มนะแต่มันต้องฝึกที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าดฝึกปุ๊บปั๊บเจอจะเต็มถูกไหมนะแต่ต้องกลับไปทำมันทำทุกวันตื่นมาคิดเลยเราจะทำอะไรในทานทั้งน้อยเต็มบารมีถ้าทานเต็มเมื่อไหร่มักผลเจอกระจบจิต ตัอย่างทะละได้ง่ายแล้วเพราะนั่นคือการตัดขันห้าไปในตัวนะอย่าลืมว่าการพิจารณาเพียงเท่านี้นี่คือการตัดขันห้าแล้วนะถ้าเห็นทรัพสมบัติภายนอกไม่มีความหมายแล้วชีวิตเธอไม่ห่วงใยกับสิ่งของที่มันนํามาซึ่งความสุขซึ่งคนอื่นเขาห่วงแหนถูกไหมมีบ้านห่วงแหนบ้านมีรถห่วงแหนรถมีทรัพย์ห่วงแหนทรัพมีสิ่งของห่วงแหนสิ่งของถูกไหมละ่ะแต่เราไม่เห็นมันมีความหมายใช่ไหมเราตัดขันห้าไหมตัดความพอใจยินดีในการเกิดแล้ว นี่มันตัดไปในตัวอะไรนะทานบา ร, รมีตัวเดียวในบา ร, รมีสิบเต็มสังยอดิสิบขาดถ้าเธอรู้จักที่จะทำมันบ่อยๆและกู้จักคิดรู้จักมองถึงผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราให้ทานออกไปยากไปไหมคิดว่าไม่น่ายากนะประเดี๋ยวทกคุณหลวงพ่อก็เคยสอนเราอย่างนี้ถูกไหมถ้าเธอจำกันได้ก็มี มีอย่างนี้วันนี้พระท่านมาย้ําให้เธอได้เอากลับไปคิดพิจารณากันว่าสิ่งที่เราควรจะต้องกระทําให้เรามีคุคนที่มีบา ร, รมีเต็มเพื่อไปนิพพานได้เนี่ยมันคือการให้ทานเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมบัติที่เธอมีมันเป็นชีวิตจิตใจจะทําการสิ่งนี้มาม า, มากคุ้นเคยกับมันมามากเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาม า, มากๆากนี่แหละมันจะถึงไหว จบิดได้เร็วถึงมักผลได้เร็วไปอาศัยทานบา ร, รมีที่เราตั้งใจทำนี่แหละนะ เ, เวลาก็พอสมควรนะเยอะจะเดืกเกินไปแต่ข้างนอกพระพิลุนก็โปรยแล้วเออถ้ากลับได้ก็อศัศจรรย์แล้วม่าจะมีล่มฮะควายต่อ <laughs> <laughs> ันตกแล้วกวนนอนหลับ <laughs> อ่อาตั้งใจอุชิตส่นก่อนสอนกันนะไอกทางบุญยะพลังผลละบุญใดญญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายาญญได้บำเพ็ญแล้ว ณโอกาสนี้ขออธิษฐานโกศนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอได้โปรดโมทนาได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขออธิษฐานโกศนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและทิพยและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญาโยมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสกีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เทิด และขอที yes. Then, ่สูงโกรธนี yeah. should, hai, ้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ และการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วพระโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้เทน